ก็ปฏิบ <screws in the ground> ัติไปเรื่อยๆนะให้จะได้ศึกษาภาคปฏิบัติในวันนี้ว่าวันนี้เราจะทำการศึกษาเรื่องอะไรทั้งนี้เพื่อที่จะให้เวลาของเราที่ผ่านไปทุกนาทีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติสำหรับคนที่ตั้งใจ คนที่ไม่ตั้งใจหรื อ, อยังไม่เข้าใจก็ก็ทึกศึกษาไปเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆตามกําลังสติปัญญาของแต่ละคนเพราะทุกวันนี้คุณค่าของชีวิตมันหมายถึงคุณค่าที่เราเห็นความสําคัญของเวลาด้วย <c oughs> คนไหนเห็นความสําคัญเวลาแล้วใช้พยายามใช้เวลาที่ผ่านไปให้เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตอกายต่อใจของเราชีวิตก็จะเพิ่มคุณค่าขึ้นเรื่อยๆแต่เวลาที่ล่วงผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ชัดชเจนเกิดขึ้นก็ถือว่าเราเสียเวลาชีวิตไปโดยเอาคืนไม่ได้พระพุทธเจ้ท่านตรัสว่าคโนโวมาปัจจขาอย่าปล่อยเวลาแต่ละขณะล่วงไปโดยที่ไม่เกิดอะไรองค์ ก, ก็เห็นความสําคัญถึงแม้จะเป็นเรื่องสมมุติก็ตาม แต่ว่ามันเป็นคุณค่าของชีวิตในช่วงเช้าเป็นช่วงที่เราสงบแล้วก็ผ่อนคลายควรจะได้รับฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ได้ทั้งวันช่วงเช้าเราตื่นขึ้นม า, ามีการปรับพระสี่ด้วยการเจริญ สติแบบเคลื่อนไหวและออกกำลังกายด้วยท่วงท่านะมาเองทำงานได้ส6 5หวันไม่มีวันพักเลยเนี่ยก็เพราะอาศัยวิธีการอันนี้ด้วยคือเมื่อก่อนก็ททำโยคะทำชี่งงซึ่งมันก็หนักไปบางทีเวลาไม่พอแต่หันมาใช้ท่วงท่าในปีนี้ปรากฏว่ามันใช้ได้ทีเดียวนะทำให้ปรับธาสีได้ง่าย ชเช้ชาทาดัดเริ่มด้วยทัดไฟและทัดลมคือการลมลมหายใจและการออกกํลาลังกายพอเสร็จจากนั้นเราก็มาเป็นทัดน้ําดื่มน้ําบริสุทธิ์น้ําอุ่นสามแก้วห้าแก้วออแล้วก็สายไปอีกหน่อยเราก็เป็นทัดดินคือรับทานอาหารอ่อนๆเบาๆปรับทัดทั้งสี่ช่วงเช้าเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะทํางานสดชื่น แล้วก็เ ก, กเลี้ยกล่ำได้ทั้งวันนั่นเองก็การปรับธรรมชาติท่าสีของร่างกายก็เหมือนที่เราต้องปรับลดปรับน้ําปรับน้ํามันลถอะไรลถก่อนที่เราจะออกทํางาน mm hmm. เตรียมความพ ร, อมร้อมโดยเฉพาะถ้าลมตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเช็คลมปลานทั้งสองข้างนี้ไม่โลง่งไม่ปรงก็ต้อง ต้องแก้ไขก่อนฮัดลุมเช็คทดัดดินงทัดน้ําว่าตอนเช้าต้องไล่ของเสียออกจากร่างกายให้หมดก่อนที่จะมาจะมาที่นี่ก็ต้องอย่างน้อยต้องถ่ายของเสียสองสามครั้งก่อนที่อาหารใหม่เข้าไปอาหารเก่าต้องไม่เหลืออยู่ในในตัวของเรา <c oughs> ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องปรับแก้ไขเพราะชีวิตนี้เป็นเหมือนเครื่องยนต์ ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ดีก็จะได้ประโยชน์มากถ้าดูแลเอาใจใส่ไม่ดีนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นภาระของผู้อื่นถ้าเป็นญาติโ ย, ยมก็สามีเป็นภาระของภรรยาภรรยาเป็นภาระของสามีพ่อแม่เป็นภาระของลูกเต้าพระก็เป็นภาระของญาติโยมซึ่งเป็นการถ่วงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาสังคมได้ปัญหาสุขภาพที่เราไม่พึ่งตนเอง เราพึ่งคนอื่นดังนั้นเองก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโธตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นพึ่งได้ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่ส่วนที่เป็นสมมติและส่วนที่เป็นปรมัตดโดยเฉพาะพระป่วยเนี่ยเป็นพาาระละก่ายมยมย่ายยมเดือดร้อนดังนั้นเองเราจะทํายังไงที่จะป่วยน้อยที่สุดที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็พยายามทําก่อน มาป่วยเป็นอะไรไม่มีใครรู้นอกจากตัวเองเราต้องจัดการตัวเองให้ได้ก่อนจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆก็ถึงมือหมอแต่ก่อนที่จะถึงมือหมอมาก็ปรึกษาหมอทั้งหลายรอบแล้ว<ช>ก็เป็นอย่างเงี้ยจะเอาไงทักคุยกันหมอก็แนะแนะมาแล้วก็เอาส่วนที่เราทําได้ส่วนที่เราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาต้องกินยานั้นต้องใช้ ย, ยานี้ก็ไม่เอานะ ใช้วิธีการ น, นี้แต่ปรึกษาว่าสาเหตุมาจากอะไรทั้งนั้นเงแต่ยาชนิดหนึ่งที่ใช้ได้ผลเสมอก็คือยาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งพระเอาไว้แต่บทใหม่เลยนะกรณียกิจสี่นะหุ่นผ้าบางสกุลหนึ่งอยย่โคนไม่หนึ่งเราก็ <c oughs> ฉันบินทบาทหนึ่งฉันยา ยาดองคือน้ามูดเน่าหนึ่งยาดองก็อยู่ในตัวแล้เนี่ยดองมาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ทานได้เลยตอนเช้ามาก็ยาดองออกมาทานทุกวันแต่บางวันหลายวันถ้าไม่ได้ทานร่างกายก็มาว่าจะมีปัญหาละเมื่อเมื่อเมืม่อคืนนี้จมฟิฟรแสดงวันก่อนไม่ได้ทานน้ำปัสวัสดิ์ของเราเป็นยาที่ดีพุทธเจ้าสั่งเอาไว้ก็ทานนะ แฉะนั้นเราจะเห็นว่าในร่างกายของเรานะ่ยมันมีสิ่งที่ช่วยเกื้อกูลกันอยู่แล้วถ้าเราใช้มันถูกแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้ว่าสังขารของเราเนะี่ยเหมืนอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจงใช้มันด้วยความไม่ประมาทอัปปามาเทนะสัมปาเทธาท่านสั่งไว้เแม้แต่วาระสุดท้ายนะหันาทานิพพิขเวมันตยามโยิโอขยาวยาธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลาย ร่างกายและจีนใจของเราเนี่ยมันเสื่อมตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงแปรปูนตลอดเวลาท่านทั้งหลายจงดูแลมันด้วยความไม่ประมาทอะ ป, ประมาเทนะสัมปาเทธาแม้แต่ก่อนจะตายก่อนจะนิพพานท่านก็สั่งเอาไว้ขนาดนั้นแต่เราไม่ค่อยกํำลังถึงอะเราก็สวดผ่านไปวันๆแต่ว่าไม่เคยมาทําเป็นเรื่องเป็นราวร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยมันจะแปรปูวนเปลีป่ยนแปลงมีนวนเข้าเข้าจัดง่วงก็ง่วงจัดเบื่อก็เบื่บอจัด แบบง่วงแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมันความผิดปกติของร่างกายและระบบประสาทสมองของเราซึ่งเราจะต้องตรวจสอบตรวจเช็คตลอดในฐานะว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญสติร่างกายกรูปธรรมยังดูแลตัวเองไม่ได้แล้วจิตใจจะดูแลได้ไงนิวรณ์ถ้อยยังออกไม่ได้เลยแล้วเจ้าอะไรออกก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบตัวเองนะจะปล่อยให้ตัวเองผิดปกติไปอย่างนี้มันไม่ได้ มันจะต้องทํำไงมันปกติปกติไม่พอาสีนใช่ไหมถ้าหากว่าร่างกายผิดปกติก็หมายความว่าร่างกายเราผิดศีนแล้วสีนกายมันผิดแล้วสีนใจมันก็จะพลอยด้วยกันนะร่างกายมีเวทนาใจสีนกายมันผิดแล้วสีนใจก็คือจิตแล้วก็เริ่มผิดปกติก็คือความไม่สบายความขุ่นมัวความเศร้าหมองความวิตกกังวลความอึดอัดขัดเคือง มันก็จะมาด้วยกันเป็นพรวนเลยนะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องการเกิดดับที่ส่วนที่เป็นกายวันนี้พระท่านสวดเรื่องของเวทนาเราก็ยังมาพูดเรื่อ ง, องการเกิดดับของเวทนาว่ามีผลต่อการให้เกิดสติได้อย่างไรนะเมื่อวานพูดถึงเรื่องการเกิดดับของกายนั้นมันมีส่วนก่อให้เกิดของคู่ในจักรวาล น, นีนะ้ความพอใจ ความไม่พอใจความดีใจเสียใจความชอบความไม่ชอบความรักความชังความมืดความสว่างกันขึ้นกันลงมียิ่งมีชายมีข้ามีออกมีขึ้นบนของคู่ครอบงําชีวิตเราอยู่แต่เราก็ไม่เคยใช้สิ่งที่เป็นคู่เหล่านี้ให้เป็นอุปกรณ์ในการเพิ่มทําเพิ่มวิปัสนาญาณให้เกิดขึ้นแล้วปล่อยของคู่เหล่านี้ผ่านไปทุกเวลานาทีโดยที่ไม่ใส่ใจมันเลยแม้แต่เรานั่ง ของคู่ก็ปรากฏว่ามีอะไรมีหนักมีเบาใช่ไหมมีสบายไม่สบายมีหายใจเข้ามีหายใจออกปรากฏทุกส่วนแต่เราก็ไม่เคยใส่ใจกับมันเลยกับสิ่งของคู่เหล่านี้มีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งมีหยุดมีเคลื่อนของคู่ปรากฏตลอดทุกส่วนในส่วนที่เป็นรูปทีนี้มาดูของคู่ในส่วนที่เป็นเวทนาบ้าง ความจริงในส่วนที่เป็นรูปนั่นแหละถ้าหากว่าที่มันมันต้องเกิดต้องดับเป็นของคู่อย่างนั้นตลอดที่ออกมาในแง่ของรูปธรรมหรือสมมุตินะเกิดดับแบบสมมุติน่ะต้งรู้ก่อนเราจะต้องแปลงการเกิดดับคือของคู่แบบสมมุติในกายของเราเนี่ยให้เป็นนิมิตกรรมฐานเพียงแต่ใส่ใจและรู้เข้าไปในสิ่งที่มันกําลัง ปรากฏคู่ข้างมานันนะคู่หนึ่งเป็นคู่ดับคู่หนึ่งเป็นคู่เกิดคู่เกิดนั่นจะเป็นคู่ทุกคู่ดับเป็นคู่ดับทุกเช่นเรานั่งเนี่ยมันก็เกิดอะไรหนักมันเกิดใช่ไหมแต่พอเราเคลื่อนหนักมันก็ดับพอหยุดหนักมันก็เกิด ไอ้ตัวเกิดก็ทําหน้าที่ดับก็มีตัวดับทําหน้าที่เกิดก็มีเป็นเหตุเป็นปัจจัยในพุทธศาสนาใช่ว่าเหตุตัวปฏิเยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งก็ให้เกิดอันหนึ่งซ้ายก็ให้เกิดขวาขวให้เกิดซ้ายดับก็ให้เกิดเกิดเกิดก็ให้เกิดดับสุขก็ให้เกิดทุกทุกก่อให้เกิดสุขมันจะสัมพันธ์กันอยี่เลืยไปในหลักของปัจจัยการหลักของปฏิสุบาทแต่เราก็ไปเรียนปัจจัยการปฏิสุบัตที่เป็นภาษาบาลีไม่รู้เรื่องเป็นหลักทฤษฎีวิชาการ สับสนปวดหัวแต่สิ่งที่มันเกิดดับง่ายๆเหตุปัจจัยง่ายๆเดี๋ ย, ยวเนะี่ยมองไมาเห็นความง่วงก็ให้เกิดความตื่นความตื่นก็ให้เกิดความง่วงใช่ไหมถ้าหากเราง่วงพอมีตัวรู้เข้าไปมันก็ตื่นพอตื่นไปตัวรู้เราอ่อนก็นกลายเป็นง่วงอยู่องั้นสลับกันอยู่งั้นแต่เราไม่เคยศึกษาของคู่นี้ให้ชัดเจนเลยแล้มีแต่ทำทำทำแช่ช่ช่แช่ชอบชอบชอ บ, ช อ, บชอบอยู่งนะั้นอันนี้คื อ, ค, อคือความเคยชินที่เราเป็นอยู่ แล้วใครจะไปแก้ให้เราซึ่งดูแล้วเนี่ยเอาเอามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ทํามันกลายเป็นเรื่องยากนะก็ถือว่าพระพุทธเจ้าโทษใครไม่ได้โทอคนนะโทษอวิชชาเพราะอวิชชาพเพราจึงได้เป็นอย่างเนี้ยเพราะอวิชชาเราก็ทุกครั้งทงี่เราสอนเรื่องวิชาอาวิชชานะียแต่เราก็ทําไม่ถูกหรอกแล้วก็ทําไม่เป็นนะแต่เราก็สอนนะเราก็พูดนะพูดให้คนอื่นฟังแต่เราไม่เป็นนะ่ะ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรคนอื่นรู้เป็นร้อยคนพันคนแต่เราไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะแต่ น, นั้นขอให้ปรับแก้ให้ได้ว่าเรามีความผิดปกติตรงไหนนะปรับแก้แตลอดเวลาอามาเองไม่ยอมตั้งแต่รู้เรื่องนี้มาเพราะว่าเราพุทธเจ้าบอกให้ทวนกระแสท่านบอกบทแรกตั้งแต่แรกใช่ไหมตอนที่ไปอะไรไปลอยถาดใช่ไหม อไปลอยถาดรับถาดจากนางสุชาดาก็อธิษฐานว่าข้าเจ้าจะแก้ไขปัญหาได้สําเร็จขอให้ถาดนมันลอยทวนถ้าแก้ปัญหาไม่สําเร็จก็ถาดมันลอยไหลไปตามน้ําท่านวางวิสนาบอกว่าถาดลอยทวนกระแสนัออ่นท่านก็มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้สําเร็จท่านก็ทําท่านก็เลยได้ชื่อว่าสิทธัตถะเพราะว่าแก้ปัญหาได้สําเร็จสิทธิ์ที่ว่าสำเร็จสิทธาทาัตถ ทำสิ่งที่ให้มีประโยชน์ได้สำเร็จสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ไมไมไมต้องทำเสียภาษีทัดทักดังนั้นเองเราก็ตามรอยของท่านอุทิศเพื่อท่านแต่สิ่งที่ท่านสอนเรากับทำไม่ไม่เป็นเนี่ยมันก็น่าคิดนะแต่ขอให้พยายามดัง น, นั้นใครจะว่าไงก็ตามอามาก็เลยบอกบางคนวนะ่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนานะพุทธศาสนาคือวิถีของชีวิตคือชีวิตจริงเป็น the way of life นะ มันไม่ใช่ลีลิเจนส์คำเจริญก็ถูกลีลิเจนต์มาจากคำว่าลีลายลีลายแปลว่าที่พึ่งลีลายอ่อพึ่งอะไรด e เพนอ่อนลีลนพึ่งอะไรถ้าเราพึ่งตัวเองได้พึ่งกายพึ่งใจตัวเองได้ก็เราก็มีศาสนาแต่พึ่งกายพึ่งใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นคนไม่มีศาสนาไปพึ่งหมอพึ่งยาพึ่งคนอื่นั่นศาสนา ก็จะแปลว่าลิลิเชสลิไลดังนั้นเองเราต้องศึกษาเรื่องนี้นะทีนี้มาดูว่าเวทนาที่ท่านบอกว่าสุขขังเวทนางเวทียะมาโนสุขขังเวทียามีติประชาณิติซามีสั่งสุขขังเวทนางเวทียามิโตมาโนุซามีสั่งเวทนางเวทียามีติประชาณิตินิรามิสั่งสุขขังเวทนางเวทียะมาโนนิรามิสั่งสุขขังเวทนางเวทียามีติประชาณิติ เนี่ยชุดแรกเนี่ยที่ท่านท่านสวดเมืก่กีว่าเมื่อเรารู้สึกสบายให้รู้สึกว่ารู้สึกสบายนะอันที่สองเมื่อเรารู้สึกสบายโดยอาศัยสิ่งประกอบคืออามิตรเข้ามากระตุน้นก็ให้รู้สึกว่าเราสบายตัวเนี้ยเพราะมีส่วนประกอบเนะช่นเรานั่งเนี่ยมิสึกอากาศร้อนหน่อยเปิดพัดลมตัวพัดลมเนี่ยเป็นตัวส่วนประกอบให้เกิดความสบายเออพัดลมไม่พอเข้าไปห้องแอ เปิดห้องแอตัวแอนั่นแหละคือตัวอามิตรที่ก่อให้เกิดความสบายให้รู้ว่าเออตัวนี้ความสบายเกิดไม่ใช่เกิดจากตัวเรานะเกิดจากส่วนประกอบทัานใช้คำว่าอามิดแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกสบายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาประกอบของเราหนีรามิดใจของเราบางครั้งมันสบายเพราะอาศัยเหยื่อเรารู้สึกได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสม า, รมาประกอบรู้สึกร่างกายใจิตใจสบาย นี่ก็เรียกว่าอาศัยเหื่ออาศัยอามิตรอาศัยส่วนประกอบให้ก็ให้รู้ว่าขณะนี้เราสบายเพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นสัมผัสนะแต่บางครั้งจิตมันสบายของมันเองบางครั้งโล่งปลงเบาสบายรูปก็ไม่มีเสียงก็ไม่ได้ฟังกลิ่นก็ไม่ได้มีรสก็ไม่ได้สัมผัสกายก็ไม่ได้สัมผัสกับอะไรใจก็ไม่ได้นึกคิดหาอะไรแต่มันสบายมันโล่งมันปลงของมันเองอะตรงนี้นก็เรียกว่าความสบายเกิดขึ้นเพราะอาศัย ไม่ต้องอาศัยอะไรนิรามิสัง่งเวทนางเวทียามาโนูนิรามิสัง่งเวทนางเวทียามีาติปชาเนติให้รู้ชัดชัดเนี่ยที่เราสวดมาเมื่อเกี้แต่เราก็ปฏิบัติไม่เป็นเพราะว่าในรายละเอียดพระท่านพูดพ ร, พระท่านไม่ได้พูดถึงพูดถึงภาษาดําราในส่วนตรงกันข้ามเหมือนกันท่านบอกว่าทุครัง้งเวทาานทางเวทียามโนูทุครั้งเวทนางเวทียามีาติปชาเนติ สามิสังทุกขงังเวทนางเวทิยะมิมาณูสามิสั ง, งเวทนางเวทิยามีติปัญชานติอีกชุดหนึ่งตรงนี้รามิสังเวทนางเวททุขังเวทนางเวทิยะมาณูนิรามิสังทุขงทังเวทนางเวทิวทยามีติปัญชานตินี่คาถาของพระพุทธเจ้าท่องให้คล่องกันนะแล้วมันจะหายทุาาโกโยมจุบกลับไปนี้ไปท่องให้ได้ทีเดียวว่าเมื่อร่างกายไม่สบาย <c oughs> ก็ให้รู้ว่าร่างกายไม่สบายไม่สบายด้วยเรื่องอะไร เมื่อร่างกายสบายไม่สบายเพราะอาศัยเหยือ่ออาศัยเครื่องกระตุ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้เราไม่สบายเพราะอาศัยสิ่งนี้นะเช่นเราเป็นอยู่ในบรรยากาศที่มันร้อนอบอ้าวมันไม่สบายตัวอากาศที่ร้อนอบอ้าวนั่นแหละมันเป็นตัวปัใจจัยให้เราไม่สบายนะเพราะฉะนั้นบางครั้งฐานอาหารแนละ้วมันปวดท้องเราไม่สบายก็ให้รู้าอาหารช น, นิดทําให้เราปวดท้องอ ไปเห็นภาพบางอย่างมันไม่สบายตาเห็นภาพบางอย่างขัดใจก็ให้รู้ว่าความขัดใจความไม่สบายใจมันเกิดจากตาเพราะนั้นความไม่สบายที่เกิดจากได้เห็นรูปเสียงกลิ่นสัมผัสอารมณ์ก็ให้รู้ว่าขณะนี้ใจฉันไม่สบายกายฉันไม่สบายเพราะสิ่งนี้มาเกิดขึ้นได้กลิ่นเม้นได้ภาพไม่ดีได้อาหาราไม่ถูกปากได้ สัมผัสอะไรที่เย็นล้อนอ่อนแข็งเกินไปแล้วก็ได้รับอารมณ์ที่ขุนมัวเส้าหมองสิ่งนี้เป็นอามิตรที่ทําให้ใจไม่สบายให้กายไม่สบายก็ให้รู้ว่าขณะนี้เรารู้กับสิ่งนี้มันไม่สบายนะนะแต่บางครั้งจิตของเราก็เกิดความไม่สบายของมันเองทั้งที่ได้รู้เสียงกีด้วยสัมผัสเราก็ไม่มีอะไรที่มากระทบนะแต่ทําไมใจมันไม่สบายบางครั้งมันไม่สบายโดยที่ไม่มีสาเหตุ หรืที่ไม่ต้องอาศัยอมิตรเลยมีอยู่ใช่ไหมอยู่อะไรก็อยอยู่ในห้องแอร์อยู่ในที่สบายทุกอย่างกินอาหารก็อร่อยทำไมใจมันไม่สบายใจมันขุ่นมัวใจไม่เศร้ามองเพราะโดนโกงไปหลายลย้าน อ, นอย่างงี้นะนั่งยังไงนอนยังไงก็ไม่สบายเแฟนนอกใจอย่างงี้นะจะมีลูกเสียงยิรุษฝันไงดีกันไหนก็นไม่สบายเนี่ยนี่มันพออาศัยเหตุปัจจัยนะดังนั้นเราก็ ดูว่าความไม่สบายเกิดเพราะอาศัย mm hmm. เหตุปัจจัยอะไรหรือไม่มีเหตุปัจจัยอลไรมากระตุ้นความไม่สบายเนี่ยตรวจสอบเนี่ยเวทนายิ่งละเอียดลงไปอีกใช่ไหมยิ่งละเอียดลงไปแต่เราไม่เคยตรวจสอบ่สบายฉันก็เพลินไปจ้ะกับมันแช่อยู่งั้นแหละแช่จนง่วงแล้วง่วงอีกฉันก็ไม่เปลี่ยนจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะเจริญสติแต่ไม่ใช้สติมันก็เสียสติทั้ง น, นั้นเองใช่ไหมเสียของเออ แต่ า, าไม่สบายมาฉัน ก, ก็แช่อยูงนั้นแหละ อ, อง่วงคอพับคอเอียงลิ้นหนักจนปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวยึดทั้งตัวแล้วก็นั่งแช่ไม่สบายเกาไม่รู้ว่ามันสบายแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ได้สติอันที่สามท่ว่าอทตถุขมาสวงเวทนางเวทียามาโนอัตถุขมาสวงเวทนางเวทียามีติประชานาติ สามิสังอทุขมาสวงเวทนาเวทียามาโนสามิ I. สังอทุขมาสวงเวทนาเวทียามีติประชาตินตินิรามิสังอทุขมสวงเวทนาเวทียามาโนุนิรามิสังอทุขังเวทียังเวทียามีติประชาตินติอีกชุดอ่ะบางครั้งไอ้ความสบายก็มันมีความไม่สบายก็ไม่มันเฉยๆอ่ะแต่ว่าทุกข์ก็ไม่ใช่จะไปสุขก็ไม่เชิงขณะนี้ใช่ไหมคือเวทนามันเบามากอ่ะเบาจนสัมผัสไม่ได้ไปสุขว่าทุกข์ ก็ให้รู้ชัดๆว่าเออขณะนี้เดี๋ยวว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงนะมันมีอยู่ก็ให้รู้รัภาวะที่มันกลางๆเดี๋ยวว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงเราไม่เรียกว่าเฉยๆเนี่ยง่ายๆไอ้ความเฉยๆซื่อๆเนี่ยมันมีอยู่ก็ให้รู้ให้ชัดเมื่อรู้ชัดแล้วบางครั้งความรู้สึกเฉยๆมันเพราะได้เห็นได้สัมผัสได้ยินได้ฟังได้ริ้มรถได้อารมณ์เนี่ยมันเกิด บางครั้งไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นมันก็เฉยๆของมันเองก็ให้รู้ชัดๆพอเข้าไปรู้ชัดเวทนาทั้งสามตัวเนี่ยเวทนาทางกายนะความไม่สบายกายความสบายกายความไม่สบายกายความเป็นกลางทางกายถ้าเข้าไปรู้ชัดมันเปลี่ยนจากสุขเวทนามาเปลี่ยนมาเป็นศีลทุกเวทนาเข้าไปรู้ชัดๆมันเปลี่ยนมาเป็นสมาธิทุกมาสุขเวทนาเราเข้าไปรู้ชัดมันเปลี่ยนมาเป็นปัญญา นี่ที่ว่าเวทนาทั้งสามเป็นตัวแกนตัวกลางเปลี่ยนกฎของที่ว่ามาเมื่อวานสุขขังเกิดมาจากอะไรนะสุขเวทนาความสบายเกิดจากอะไรเวลาเป็นต้นเหตุเกิดมาจากอ น, นิจจังหรือใช่ไหมไม่ได้ยมเจ้าไม่ได้หรอกฟังไว้งั้นเองแหละเอามาก็พูดไปงั้นเองแหละอแต่ให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเผื่อว่ามีบางคนจะได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นเองนะ ทุกขเวทนาความไม่สบายกายเนี่ยถ้าเราเข้าไปรู้ชัดมันบ่อยๆมันกลายเป็นอะไรมันเปลี่ยนไป็นอะไรเปลี่ยนเป็นสมาธิอทุทกขมูสุเวทนาความเป็นกลางเฉยๆเนี่ยเราเข้าไปรู้มันชัดๆนขณะนี้มันไม่สุไม่ทุกขเฉยๆนะเข้าไปรู้มันชัดๆมันเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเป็นปัญญาอันนี้จังทุกขังอนัตตาทางกายเมื่อมีสติเข้าไปสัมผัสเข้าไปมันเปลี่ยนมาเป็นตัว ศีล ส, สมมธิปัญญาเพราะด้วยอาศัยสติสัมผัสเป็นตัวศึกษาใช่ไหมตัวศึกษาโดยที่มาเปลี่ยนเป็นสีและสีขาแต่พอมาเปลี่ยนเป็นสมมัธิท่านไม่ใช่คําว่าสัมมัธิสีขาท่านใช้คำว่าจิตต่สีขาเพราะใช้สติสมัมผัสมันมาเป็นองค์ประกอบของจิตใช่ไหมเป็นเจเจตสิกันเกิดจากจิตนะอันนี้คือคือหลักของเขามีอยู่นะเสียงเปลี่ยนนะครูว่าดังนั้นเองเราจะเห็นว่า หลักท่านวางเอาไว้หมดแล้วครบแต่ว่าเราตีบทไม่แตกเมื่อตีบทไม่แตกเราจะไปโทษว่าครูบาสอนผิดก็ไม่ใช่บาลีผิดก็ไม่ใช่แต่มีอยู่อ่ ะ, อะมาเองตั้งแต่ทำหนังสือเล่มนี้มามาสวดได้เกือบทุกบทเลยนะก็มายี่สิบสามสปีแล้วจำไม่ได้ไงแต่บางคนยี่สบสามสปีก็เปล่านะไม่เคยจำอะไรได้เนะพราะมันสวดแต่วัดศึกแต่ว่าสวดไม่ใส่ใจที่จะจำนะ ดังนั้นเรื่องเี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราแท้ๆเกี่ยวกับชีวิตของเราแท้แทำไมไม่ใส่ใจเนะมันก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะทีนี้มาดูตัวมิกี้ที่เราสวดไปชุดแรกใช่ไหมเวทนาทั้งหมดสนะิบแปดเก้าใช่ไหมเราว่าในส่วนที่เป็นสุขใช่สามทุกใช่สา ม, สามอุทกมิสูสามเป็นเก้าทีนี้มาดู ว่าถ้ารู้ชัดเนี่ยมันเปลี่ยนอันนี้จังทุกขงกังอาตาเป็นศีนสมาปัญญาได้รู้ชัดด้วยอะไรด้วยสัมปชานุสติมาอาตาปีพยายามที่จะทำเนที่ที่ยกมืออยู่เนี่ยเป็นอาตาปีนะที่พยายามจะตามรู้อยู่เนี่ยเป็นสัมปชานุเรารู้ให้มันชัดลงไปเป็นสติมาใช่ไหมให้รู้องค์ประกอบสามประการอาตาปีสัสมปชานุสติมา ไม่ใช่สัมปะาอาตาปีสติมาสัมปชาโนุนะเป็นคล่องปากเฉยแต่ความจริงที่ถูกต้องมันเป็นอาตาปีสัมปชาโนุและสติมาอันนี้เราต้องเอาไปดูให้ชัดด้วยนะคือมันต้องรู้ตัวทั่วพร้อมซะก่อนก่อนที่มันจะรู้อะไรลงไปชัดๆอ่ะไฟฉายตอนแรกถ้าเราไม่โฟกัสเนี่ยไม่หมุนหาโฟกัสนะเปิดคือแชตเนี่ ย, ยแสงสว่างมันก็จะเบล อ, อกว้างๆใช่ไหมเรามาปรับโฟกัสไอตัวปรับโฟกัสหาจุดที่ต้องการเนี่ยเป็นสติ แต่เปิดขึ้นเพราะกระแสไฟฉายสว่างมันมันไม่โฟกัสนั่นแหะรู้กว้างๆเลยว่าสัมปชาสัมปชาโนูไอมือที่กดสวิตช์ลงไปนั้นเป็นอาตาปีอ่อาองค์ประกอบมันสัมพันธ์กันมันสําบเดียบประโยชน์ทีนี้มาดูไอความไม่สบายเนี่ยถ้าเราไม่มีสติมาสัมปชาโนสติมาเรามีแต่ความเพลินความเผลอความเพลินควา ม, วา ม, วามชอบความ อยากเนี่ยเข้าไปแทนในเช่นว่าเรานั่งได้เห็นรูปสวยๆแล้วก็ชอบล่ะอยากจะดูอีกเสียงเพราะๆแล้วก็อยากจะฟังอีกอกลิ่นหอมๆอยากอยากจะดมอีกอรสอร่อยอร่อยก็อยากจะกินให้มากขึ้นอีกสัมผัสนิ่มนวล น, นุ่มนวลชวนสบายก็อยากจะแนบมันอยู่นา น, าน อารมณ์ดีก็อยากให้มันมีอย่างนี้ตลอดใครมาพูดขัดใจไม่ได้อย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอันนี้จังกายเป็นอะไรอันนี้จางมันเป็นสุ ข, ขังจริงแต่สุ ข, ขังตัวนั้นไม่ได้ถูกตามรู้ชัดใช่ไหมมันกลายมาเป็นตัวอภิชาตัวเพ่งหาเหยือ่อ อ่ะอภิชาแล้วพอเพิ่งหาเหยื่อเจอแล้วมันกลายเป็นนันทิเข้าไปเพลินกับมันนันทิตรงนั้นไปเพลินกลายเป็นราคะไปยาวเลยทีนี้ราคะกลายไปเป็นอะไรกลายเป็นกามาฉันทะนิวอนกามาฉันทะสติก็าตามรู้ไม่ทันอีกเป็นกามาตัญหากามาตัญหาเกิดก็าตามรู้ไม่ทันอีกเป็นโลภะโลภะอยากจะได้มากขึ้นยังรู้ไม่ทันเป็นโลภานุใสโลภานุใสตามรู้ไม่ทันอีกกลายเป็น กามูปาาม้ปาทานการมู้ปาทานตามรู้ไม่ทานอีกเป็นกามาสะวะเรียบร้อยเลยทีนี้แต่เค้ลงคลองหรืว่าเอาไม่เอาไม่ได้เอารากมันแตกงอกรอกงากไปลึกอย่างเงี้ยแล้วเราจะถอนมันได้มันก็กลายเป็นพบเป็นชาติหมุนเวียนไหวได้เกิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปสวรรค์เดี๋ยวลงนรกเดี๋ยวไปสวรรค์แล้วลงนรกอยู่ยงั้นสวรรค์กับนรกก็เลยเป็นคู่หนึ่งของการเกิดดับใช่ไหมถ้าจะสมมติว่าสวรรค์นรกเป็นเกิดก็เป็นดับเนี่ยสวรรค์คนจะเปเกิดหรือเป็นดับ Teacher, ในใรก ค, <t rial doch fuera> คนจะไปเกิดหรือเปดับเออเอาไปแมทเอาไปสัมพันธ์กันให้ดีเอาไปแมทกันให้ดีว่ามันเป็นอะไรนะอ่าลองลองดูเอาข้อสอบสวรรค์ควรจะไปเกิดหรือเป็ดับนะนรกคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับอย่าลืมว่าเมื่อวานว่าสุกคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับทุกคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับ <c oughs> เออเราเราตายกันมื่เมื่อวานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอันนี้จังทุกขังก็นาตาเนี่ยตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับไล่ขึ้นไปย้อนไปหาต้นตอของมันอ่าอันนี้จังทุกขังตาทํางานมาเหลือสองใช่ไหมสู่กิดทุกสบายหรือไม่สบายถามว่าสบายไม่สบายแตะถ้าสมมติว่าสบายคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับไม่สบายคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับฮะไม่สบายเป็นเกิด มันสบายเป็นดับใช่ไหมมันดับปัญหาเพราะฉนั้นสวรรค์ควรจะไปเกิดแล้วเป็นดับ <c oughs> เออเ อ, อ, อ, อ, อ, อชักสับสนเลย <c oughs> <c oughs> ไล่ไปหาต้นตอทุกอย่างถ้ามันไลเ่เหยื่อลงไปมันสับสนนะให้ไล่ขึ้นไปตามคุณไปหาต้นตอของมัน <c oughs> อ่าทุก <c oughs> เป็นการเกิดทุกใช่ไหมเราอทีนี้จะไฟอเป็นการเกิดแล้วก็ดับไฟ ดับไฟมันสบายใช่ไหมความสบายก็เป็นดับสวรรค์นคนจะเป็นดับหรือเป็นเกิดเป็นดับนรกก็เป็นเกิดอ่าไล่ไปอย่างงั้นแต่ในเกิดมีดับใน ด, บดับมีเกิดอันนั้นคือเงื่อนไขมันต่อไปอนะทีนี้เมื่อเวทนาสามารถที่จะเป็นตัวแปลงให้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้นเนี่ยสุขเวทนาและทุกขเวทนา แต่ทีนี้ในตัวสุขเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์วัวพอใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นไม่พอใจได้อยู่ตัวไม่พอใจเปลี่ยนเป็นพอใจได้อยู่มันเป็นการเกิดดับแบบสมมุติทีนี้เราจะออกจากการเกิดดับคู่นี้ยเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมตัวเกิดกลายเป็นตัวดับตัวดับกลายเป็นตัวเกิดเป็นเหตุของการอะกันเป็นเหตุปัจจัยของการอะไรกันอยู่บางทีสุขเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นเกิดทุกข์ทุกข์ก็มาเปลี่ยนมาเป็นสุขเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอน ยังเป็นคู่เกิดดับที่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่เป็นการเกิดดับของรูปใช่ไหม <c oughs> ทีนี้ละ ว, วางใช้ว่าทุกข์กับไม่ทุกข์สุข ก, กับไม่สุขเนี่ยเอาคู่นี้ดีกว่ามันจะกลายเป็นเกิดดับแบบปรมัติ์ได้ถ้าเราทุกข์เราไม่ได้วิ่งหายสุขเราบอกว่าเมื่อวานว่าสุขเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดมาจากทุกข์ใช่ไหมทุกข์เป็นส่วนนี้ได้เกิดมาจากสุขเพราะมันอยู่ในภพของรูป ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าในแง่ของนามแล้วทุกมันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่จะเป็นดับอย่างสนิทที่ไม่เป็นให้เกิดสุขต้องเป็นไม่ทุกอ่าใช่ไหมสุขที่จะไม่เปลี่ยนเป็นทุกอีกต้องเป็นเป็นไม่สุขอ่าตรงนั้น่ะการไม่สุขไม่ทุกนั้นเป็นดับการสุขการทุกเป็นเกิดมาแมตกันใหม่น่ะ เมเป็นอย่างนี้แทนที่เวลาทุกขนมาแทนที่เราจะไปแสวงหาสุขเราแสวงหาอะไรหาความไม่ทุกข์แทนที่จะสุขเกิดขึ้นแทนที่จะเพลินในสุขเรากลับไปแสวงหาอะไรความไม่สุขหลืสุขแต่พอดีนี่เพราะฉะนั้นมัชชิมาปฏิปทาจึงเกิดขึ้นมัชชิมาปฏิปทาในส่วนสุดตรงคือทุกข์กับสุขใช่ไหมในส่วนต่งไปทางขวามันเป็นกามสุขฐานดการุคคือสุขที่เราต้องการ สูตรงไปทางซ้ายคืออัตตะกิลมะธนิยคือตรงไปทางที่เราไม่ต้องการแต่ในเมื่อออกทั้งสองส่วนได้กามะก็ไม่เอาทุกอัออตตะกิลมะก็ไม่เอามันก็กลายมาเป็นไม่เอาทั้งสองด้านมันเป็นตัวไม่เอาสุขไม่เอาทุกขแต่รู้จักสุขรู้จักทุกใช้สุขใช้ทุกให้เป็นตรงนี้เรียกว่าอะไรมัชชิมาปฏิปทานี่ทางออกของวุทิญาตมาเจอทางใสนี้ ไม่เจอทางสายมัชชิมาปฏิปทานั้นตลอดเวลาภาคปฏิบัติของเราสแสวงหาตัวอะไรสแสวงหาสุขหรือสแสวงหาทุกข์สแสวงหาตัวที่ไม่สุขและไม่ทุกข์ถ้าสแสวงหาเวลามันทุกข์แสวงหาสุขจบไหมไม่จบแต่มันประจวบประจวบมันจะมาประจวบกันขึ้นให้เป็นทุกข์ต่อไปอีกนะสุข ก, ก็จะกลายเป็นทุกข์ทุกข์เปลี่ยนอยู่อย่างเนี้ยเราเรียกว่าเวียนว่ายใจเกิดอยังไงไอ้ของคู่เนี้ย ผู้หญิงก็ไปหาผู้ชายผู้ชายก็ไปหาผู้หญิงอย่างเงี้ยแทนที่จะหาความเป็นไม่มีผู้หญิงความเป็นไม่มีผู้ชายเราเป็นผู้ชายต้องการวิ่งหาหญิงเราเป็นผู้หญิงต้องการวิ่งหาชายมันพ้นกันไหมไม่พ้นมนก็ผูกเวน้นผูกกังอย่างเงี้ยเจอมาทุกชาติก็มาเจอกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะเจอกันไปอีกกี่ชาติเนี่ยถ้ามไม่ไม่แสวงหาไอ้ความไม่สุขไม่ทุกข์หาให้เจอเพราะทุกคนมีความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ในตัวเองถ้าเราค้นพบความเป็นหญิงเป็นชายในตัวเรา เราก็จะพ้นพบทางสายกลางเราก็ไม่ต้องทุกข์กับหญิงกับชายอีกเราเรียกว่าเป็นพระไงบอกแล้วต้องมาบวชเป็นพระแต่บวชเป็นพระก็ไม่พ้นหรอกนะถ้าไม่พ้นเกี่ยวความเป็นหญิงเป็นชายตรงไหนบวชพระก็สึกไปหาว่าถึไปหาคู่อยู่ดีนี่แหละแต่ถ้าเจอความเป็นหญิงเป็นชายในตัวเองเจอความเป็นหญิงเป็ชายตัวเองแล้วผู้หญิงก็มีอยู่ในตัวเราไปหาผู้หญิงทําไมผู้ชายก็มีอยู่ความเป็นในตัวเราก็ไปหาผู้ช like, ายท um ําไม ใช่ไหมมันมีสมบูรณ์อยู่แล้ว่แต่เรายังหามันไม่เจอความเป็นหญิงสมมุติเป็นความพอใจหรือไม่พอใจความเป็นชายสมมุติเป็นความพอใจหรือไม่พอใจความเป็นหญิงก็คือความพอใจความเป็นชายคือความไม่ค่อยพอใจผู้ชายงงงงหงงยิดโมโหง่ายใช่ไหมต้องอาศัยผู้หญิงเข้าไปช่วยผู้หญิงเป็นน้ําผู้ชายเป็นไฟไงอ ดังนั้นเองก็มีสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วในตัวเราใช่ไหมเมื่อไหรเราติดในความพอใจของเราเองแสดงว่าภาวะความเป็นหญิงปรากฏแล้วใช่ไหมเมื่อเราไปติดในความไม่พอใจของเราเองเพราะว่าความเป็นชายปรากฏไหมปรากฏถ้าเราทันความเป็นพอใจไม่พอใจในใจเราแล้วเราความทันความเป็นหญิงเป็นชายไหมเป็นสาเหตุไม่อยู่ตรงนี้อ่าสาเหตุไม่อยู่ตรงนี้ดังนั้นตัวราคะโทสะโมหะก็้ามาจากนั้นราคะ คือความเป็นหญิงโทสะความเป็นชายแล้วทีนี้ท่ญญานจะว่าแล้วก็ตัวอะไรราคาโทสะแล้วโมหะเป็นใครอะโมหะคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นหญิงเป็นชายในตัวเองจึงเป็นโมหะไม่รู้เท่าทันราคาและโทสะโมหะจึงเกิดเมื่อเรารู้เท่าทันราคาโทสะโมหะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้อ่าอันนี้ไปพิจารณาให้ดีนะเนืน่องเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นเราพูดไวหน่อย ดังนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ลึกแต่เรื่องที่ไม่ตื้นแต่ใช้ปัญญาใช้ความตั้งใจถึงจะเข้าใจทำไมเองเห็นการศึกษาเรื่องนี้เป็นลักษณะที่มันย่นเยอะเสียเวลาพระก็พูดเรื่อยเชื่อไปเรื่องอื่นนะแต่ว่าเรื่องที่จะเจาะกันให้มันทำได้แต่ละวันทำไมเราไม่เน้นกันเราไปเสียเวลาพูดเรื่องอื่นทำไมดังนั้นเองในส่วนเนี้ย เราเป็นชาวเครือขันเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องรับผิดชอบศาสนาร่วมกันเพราะพระพุทธเจ้ามอบให้ว่าบริษัททั้งสี่นะพิสูภิษุนีอุบาสกอุบาสิกาให้ไปรับผิดชอบบริษัทของท่านท่านตั้งบริษัทให้แล้วเรียกบริษัทอะไรพุทธบริษัทใช่ไหมมีสีเหล่าสีสาขา <c oughs> นะแต่เรามอบความไว้วางใจให้ใคร ให้พิสูบริษัทหมด อ, อุบาสิกาบริษัทเป็นไงเวลาภิกษุบริษัทไปทําการค้าประกอบการขาดทุนแล้วใครจะเป็นคนเดือดร้อนนะอุบาสิกบริษัทอุบาสิกาบริษัทหาเงินถวายพระเท่าไหร่ไม่จบสักทีสร้างเท่าไหร่ไม่จบสักทีเดือดร้อนเดี๋ยวก็เลี่ยไรยเดี๋ยวก็เลี่ยไรเดี๋ยวก็แสกจอดแจก่องกระถินแจกท้องว่าวป่าอยู่หมดปีหมดชาติแล้วเมื่อไหร่มันจะจบกันเนี่ยเพราะพระเองไปทําการค้าขาดทุนนะ่ะ อ่าเราก็เป็นกระเป๋าให้พระเรื่องนี้ดูให้ดีมันเป็นเรื่องที่ตลกเศร้าๆนะแต่เราก็ไม่เคยเข็ยนเหล่าใช่ไหมทำไมไม่กลุ่รวมกลุ่มประท้วงพระบ้างไงเออไปค้าขายบริษัทแล้วพระเราล่มจมในบริษัทนะพู้ในบริษัทในประเทศไทยมันจะล่มจมอยู่แล้วเนี่ยทําไมไม่ไม่รวมตัวประท้วงพระบ้างนนะเพราอพระเอาไปค้าขายค้าขายก็อ สร้างปศาสาเจ้าวังเป็นที่อยู่กันนั่นชื่อลวดแข่งกันสร้างาวัดแข่งกันเงนี้ยแล้เราก็ทุกกับทุกข์อย่างเงี้ยจมดินจมหญ้าอย่างเงี้ยแล้วไม่แหล่มันจะจบนะตอนนั้นเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเมาถึงไม่ได้อยู่กับเที่ยไปเผยแพร่ ไ, ไปนะเพราะพระท่านทําไปแต่สถานที่ใดที่พระท่านสร้างขึ้นมาเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติเนี่ยต้องอนุโมทนาอันนั้นหมายความบริษัทนั้นเติบโตในทางที่ถูกล้นะอย่างว่าทําแสงเทียนของเราใช่ไหม หลังจากเราทําเสร็จเรียบร้อยที่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่อาจารย์พงเล่ามือคืนนะใช่ไหมต่อสู้ปัญหากันอุตลุดนะเอามาไปอเมริกานั้นเขาสู้ปัญหากันเอามาก็ต้อเดือดร้อนไปด้วยอ่าต้องติดต่อแก้ปัญหากันทางโทรศัพท์กันตลอดตอนนั้นจะเห็นว่าพุทธศาสนาไม่ใช่จเจริญได้ง่ายๆเลยประเทศไทยเราต้องมาเจอผีเจอพราม์เจออํานาจมืด อ, อะไรมากมายกว่าจะตั้งอยู่ได้นะใช่ไหมเราก็ เมื่อเมื่อคืนเนี่ยมิชีคนหนึ่งโทรมาวัดถ้าเรามีเจ้าของที่แรงนะหลวงพ่อแล้วก็มีไสยศาสตร์ด้วยอ่ะเอามิชีรู้ได้ไงว่ามีหนูไปแล้วสัมผัสว่าจะามาค้างที่นี่แต่ค้างไม่ได้เลยนั้นแสนดงว่าไอ้ภาวะยังมันมีอยู่ในตัวมิชีมิชียังสัมผัสมิชีลดตัวลงไปอยู่ในภพเดียวกับเขาเนี่ยถึงเป็นอย่างนั้นมิชีก็เป็นผีกับเขาใช่ไหมเล่าแสบเลยทีเนี้ย <laughs> เป็นชีดีๆไม่ว่าไปเป็นผีไปสัมผัสกับผีได้ไง ก็ใส่เข้าไปจะแสบแหรือเมื่อกี้นะทั้งนี้มันมีเยอะแยะไปหมดแม้แต่นักบวชก็ยังไปเล่นเรื่องเหล่านี้อยู่ใช่ไหมเล่นเรื่องผีเรื่องความเขาก็อยู่กับภพบของเข า, าไปยุ่งกับเขาทําไมใช่ไนมอยู่คนละภพแต่มันอยู่ร่วมกันได้แล้วบ้านเราก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมเลีเยเ้ยงอะไรสัตว์เลี้ยงเราก็เลี้ยงไว้ได้ผีในบ้านเราก็เลี้ย ง, งเขาให้ดีเขกากลายเป็นเทวดาเขาเป็นภพภูมิของ เ, เขาไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เราจะไปยุ่งกับเขาถ้าเขาไม่ยุ่งกับเราอ่ะ นะแต่เขาไมา่ยุ่งกับเราก็นัดไล่กันหน่อยนะนะเพราะฉะนั้นในขั้งพุทธการมีอันนี้เรื่องออกจากเวทนาแล้วนะตามให้ทันพ่อเจาะลึกเกินไปเดี๋ยวโยมเดี๋ยวโยมเครียดนะเพราะฉะนั้นเองเรื่องเหล่านี้เราจะต้องแยบคายทําความเข้าใจให้ละเอียดขึ้นนะโดยการมีสัมปชัญญะและมีสติทุกย่างก้าว เพราะในทุกย่างก้าวเป็นการทำงานของไตรลักษณ์เมื่อไตรลักษณ์ทางานแล้วมันย่นเหลือให่สองคือการเกิดและการดับใช่ไหมและการเกิดและการดับนี้ก็มันออกมาในแง่ของรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นการภาคปฏิบัติของเราต้องมาตามในส่วนที่เป็นนะรูปธรรมนี่ให้ทันเสก่อนถ้าตามในส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราจะไปตามเห็นการเกิดดับในฝ่ายปรมาทุนนามธรรม ไม่ได้ใช่ไหมแค่ลมหายใจเขาออกเราตามทันบ้างมั้เยเหลีวซ้ายเหยวขวาตามทันไหมน้ก้าวซ้ายก้าวขวาตามทันบมั้ยเริ่มตามทันสิ่งเหล่านี้ก่อนยกมือมือขึ้นมือลงตามทันไม่สติให้ตามทันสิ่งเหล่านี้ตามรู้สิ่งเหล่านี้รู้ทันสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆก่อน เพื่อสร้างอะไรเพื่อสร้างให้จิตเกิดทักษะเกิดสกิลท่านใช้สก l l ฟูลใหม่ให้จิตของเราเกิดสกิลให้เกิดทักษะให้เกิดความชํานิชํานาญในส่วนที่เป็นรูปธรรมเหมือนเด็กที่จะไปเขียนหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันจะต้องมาฝึกทักษะไอ้กอไก่ถึงหอน้งฮูกเนี่ยให้เป็นเสียก่อนมันจะต้องมาฝึกการผ ส, สมอัคราพ ย, ายัญชนะให้เป็นเสียก่อนมันถึงจะอ่านรู้เรื่องใช่ไหมอันนี้ อ克拉ก็ยังเขียนใหม่เป็นสละก็ยังสมประถย์ฉันจะดูใจอ่ะจะว่าไงเรากล้กลทธิดูใจก็เกิดขึ้นเวลาเกิดปัญหามาก็วิ่งมาหาเราเอะติดวิปัสนูจิตจินตยานติดวิปราส น, น, านะไอ้อ่ะก็จะไปดูใจนะ ซึ่งามาเองนี่หลงอารมณ์ไปที่สามปีนะคือเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านก็พูดถึงเรื่องดูใจดูใจเหมือนกันแหะแต่เรายังไม่มีการดูกายมาก่อนที่หลวงพ่อพูดเรนะื่องนั้นพ่อท่านท่านปฏิบัติ ด, ดูกายมาตลอดอะใช่ไหมแต่ในเมื่อบางคนเนี่ยเขามีพื้นฐานมายเยอะที่แกที่จะไปดูใจได้เลยก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่บางคนยังไม่มีพื้นฐานในการดูจิตมาก่อนไม่มีพื้นฐานสมาถามาก่อนไปดูใจก็เรียบร้อยเลยละ่ะ นะเข้าไปในอารมณ์มิปเสนูจินตะยานแล้วตรงนั้นออกยากแล้วก็เป็นกันเยอะด้วยเพราะนั้นหลวงพ่อท่านแนะให้มาดูกายเนี่ยเพื่อสะสมตัวทักษะการดูให้รู้เท่าทันจนชำนิชำนาญในส่วนที่เป็นรูปนี้เสียก่อนเพราะในส่วนที่เป็นรูปมันดูง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายระหว่างเจ็บร่างกายปวดเนี่ย แค่พลิกมันก็หายแล้วใช่ไหมแต่คุณปวดใจเพราะเมียหรือสามีเป็นนอกใจเนี่ยมันหายง่ายง่ายไหมออปวดใจเป็นปียังมัไม่หายเลยปวดใจเพราะแฟนไว้ น, นอกใจอย่างเงี้ยนะปวดใจเพราะถูกโกงเป็นล้านอย่างเงี้ยนะมันไม่หายสักทีไอ้ปวดไอ้ในคิดอะไรมันปวดทุกทีแต่ปวดกายในยแค่พลิกมันก็หายแล้วใช่ไหมนี่ยมันต่างพุทธเจ้าจึงว่าไอ้ความไม่สบายกายเนี่ยท่านไม่ถือว่าเป็นสมุทัยนะท่านถือว่าเป็นตัว ตัวไตรลักษณ์ที่มันเป็นกฎธรรมชาติแก้ไขได้สัตว์มันนอนอยู่ที่มันปวดมันก็วิ่งหนีอะไรอย่างเงมันก็ลุกไปชุนักมันไม่ได้นอนอยู่กับที่ทั้งวันนะนอนสักพักมก็ลุกหนีเหมือนกันมันก็ปวดเหมือนกันนะเนี่ะมันเมื่อยเหมือนกันก็ลุกหนีสลัดเนื้อสลัดตัวแบบหลวงพ่อสงวนว่าเมื่อวานน่ะมันก็บำบัดเวทนามันเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอการดูแลแก้ไขเรื่องผู้เวียดทางกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่คนและสัตว์ก็มีอยู่ ท่านจึงไม่ถือเป็นสมุทัยสัตว์แต่ตัวเป็นสมุทัยสัตว์ตรงที่ว่าเราขาดสติสัมปชัญญะเข้าไปดูทุกขเวทนาทางกายแล้วมันแปลเป็นอภิชาโทมนัตแปลเป็นราคะโทสมัมมาหะตรงนั้นทั้งหากที่มันเป็นสมุทยัยเข้าไปสู่จิตแล้วความไม่สบายที่เข้าไปสู่จิตนั่นแหละมันเป็นสมุทยัยแต่ความสบายทางกายไม่ถือว่าเป็นสมุทยัยถือว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง แต่เราสวาสดอการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การเจ็บก็เป็นทุกข์เนี่ยคือหมายถึงตัวทุกกายนะนะตัวทุก์กายแต่ถ้าหากว่าการเกิดอารมณ์การแก่อารมณ์การเจ็บของใจการตายของสติสัมยะตัวเนี้ยเป็นตัวสมูทัยก า, ารเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้เป็นสมูทยัยแต่การเกิดแก่เจ็บตายทางกายทางรูปเนี่ยก็ถือว่า เป็นธรรมชาติที่มันเป็นเป็นเป็ น, ปนกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมนิยามันเป็นกฎตายตัวใคาไปฝืนไม่ได้หรอกแต่ตัวสมุทัยเนี่ยมันฝืนได้มันแก้ได้จิตของเราเมื่อรับเอาชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจราคะโทสะเข้าไปแล้วเนี่ยมันแก้ได้แก้ให้เด็ดขาดได้แต่ร่างกายของเราที่เดี๋ยวมันเวียนเจ็บเวียนปวดเวียนเมื่อยเวียนเจ็บเวียนตายมันแก้ไขไม่ได้แต่บําบัดได้ใช้ความบาบัด บำบัดทุกเวทนาเนี่ยบำบัดได้โดยไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากหรอกแต่ตัวบำบัดหรือการแก้ไขการขจัดการตัดออกไปท่านใช้คําว่านิโรธเนี่ยทําให้มันดับได้ความไม่พอใจถ้าหากว่าเราทําให้มันดับได้นิโรธปรากฏแล้วใช่ไหมอ่าก็ต้องมาทํานิโรธที่มันเป็นสมมุตินี้ให้ได้เสีก่อนให้มันชํานาญความคิดมันเกิดเป็นสมูทัยใช่ไหย ความคิดที่มันเกิดมันเป็นกลางกลางอยู่นะมันยังไม่เป็นสมุทัยนะต่อเมื่อไรไม่มีสติไม่มีสัมปัญญายเข้าไปตามไปดูตรงนั้นอนะ่ะความคิดมือนถึงจะเป็นสมุทยัยความคิดไม่ได้เป็นตัวอันตรายแต่ความคิดเป็นตัวตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นวิชาหรืออวิชาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสติมาทันไหมถ้าสติมาทันเป็นวิชาถ้าสติมาไม่ทันเป็นอวิชาแค่นั้น เพราะนั่นเราจึงทำสเสียให้มากไงทีเ่เลยเสียให้มากนะโดยที่เราจะต้องตามรู้รูปประธรรมเหล่านี้ให้มันได้ซะก่อนให้มันได้สัก2 5่เนี่ยในระดับโยมเนี่ยหมายความว่าหายใจ25ครั้งให้มันรู้ร้อยครั้งเนี่ยให้มันรู้สัก25ครั้งในสิ้นวัยใช้ได้แล้วถึงบ้างไหม หายใจร้อยครั้งได้ตามรู้มันถึงยี่บห้าครั้งไหมไม่ถึงแค่สิบครั้งก็ยากอยู่บางครั้งเป็นศูนย์เลยนะหายใจทั้งวันเป็นศูนย์เลยไม่เคยรู้มันเลยมันเข้าหรือมันออกเอก้าวไปสักรนะ้อยก้าเนี่ยตามรู้มันพอถึงสักยี่บห้าก้าวบ้างไหมถ้าใครตามรู้ได้ถึงยี่บห้าก้าทุกครั้งนะเป็นพระสุนบัณเลยนะเอะทุกครั้งนะไม่ใช่ว่าบางเอารวมแล้วผมก้าวได้หลายพันครั้งผมได้ยี่สิบห้าก้าวขนาดนี้ไม่ได้ยังเป็นผุ้ดชนเต็มเต็มตัวเลยเหมือนกันแ นี่คือมันเป็นเป็นเรื่องจะว่ายากก็ายากจะว่าง่ายก็ง่ายถ้าหากว่าเราเคลื่อนไหวจับหยิบหยับจับฉ่วยอะไรตามไปร้อยครั้งเนี่ยตามได้ถึงห้าิครั้งเนี่ยห้าปอร์ซถือว่าเป็นพระสกิทาคารมีได้แล้วเอากังตรงกายก่อนนะแต่ระดับมักนะโสดาปฏิมักสักคาคาริมักมันอยู่ทางกายอยู่ทางสมมุติทางรูปอยู่ยังเป็นผลไม่ได้ แต่พอมื่อไรทางนามใจก็ทําได้ด้วยกายก็ทําได้ด้วยเนี่ยมันเริ่มเป็นผลแล้วเริ่มเป็นมากเป็นผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมากผลไม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะว่าเรามีสติตามรู้สิ่งเหล่านี้ได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนถ้าเราตามรู้สิ่งเหล่านี้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นอัตโนมัติที่เรียกว่าปรามัดนะนะวัตถุปรามัดอาการน่ะที่หลวงพ่อเรียนพูดถึงแตมันกลายเป็นปรมัตดตรงนั้นแหละมัน มันเริ่มได้เยอะแล้วรู้ได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องระลึกอะ่ะเรียกว่าปรมัิแต่ถ้าอาศัยระลึกอยู่ถึงจะรู้นี่เขาเรียกว่ามันยังเป็นมักอยู่ยังเป็นผลไม่ได้แต่เมื่อไรมันรู้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องตามรู้ไม่ต้องระลึกรู้มันเป็นของมันเองตรงนี้เราเป็นผลแล้วโสดาปิผลนี่สกิทาคามีผลที่เขาบันทึกเอาไว้อะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเป็นเองนี้เองเรียกว่าปรมัติไอ้ตัวที่เราคอยกระตุ้นอยู่เขาเรียกว่าตัวสมมติ ค่อยทําค่อยบอกคอยเตือนกันถึงจะรู้สึกตัวถ้าไม่บอกไม่เตือนไม่กระตุน้นยังไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกบ้างแต่ว่ามันบางเบาไม่ถึงไม่มีกําลังแต่ถ้ามันรู้เองไปเองรู้เองเห็นเองแตลอดตรงนั้นเป็นผลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนี้จึงมีสองระบบหลักเลยนะวิธีการของพระเด็นในระบบรูปนามและระบบปรมัตา์แต่ในในวงการขอบขายของรูปนามนี่ก็กว้างมากเลยนะรู้ ถ้าสี่รู้ขันหายศนาตีบสองรู้ไตรลักษณ์รู้ศาสนาพุทธศาสนารู้บุญรู้บาปไปนู่นเลยนแง่ของวงการของรูปนำไปเท่านั้นเนะี่ยพอไปรู้ปรมัิก็รู้มักรู้ผลรู้ญาณรู้ปัญญายุอะไรต่างๆขึ้นไปดังนั้นเองเรื่องนี้ที่หลวงพ่อเทียนท่านค้นพบเนี่ยเรียกว่าขโมดมาเป็นใบไม้ในกำมือให้เราเรียบร้อยเลยอะที่ก่อนหน้านีเป็นใบไม้ในป่าแล้วก็ งุ่มแล้วก็คลํากันมาไม่รู้กี่ผู้พิชาติก็ไม่เจอมันดีๆทั้งนั้นน่ะนะแต่ไม่รู้ใบไม้มันอันไหนมันเป็นยาเราไม่รู้นะแต่หมอชีวกว่าต้นไม้ทุกต้นเป็นยาแต่เราต้องไปเรียนรู้อีกว่าเป็นยาแก้แก้อะไรนะเป็นยามื่อก่อนเราไม่รู้มันแก้อะไรนี่มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันใช่ผิดดีหรดีเผลอเป็นยาพิษอีกนะเห็นไหมธรรมะทุกหมดแปดห0ื่นสี่พันพันธุกรรเหมือนใบไม้ในป่าเนี่ยดีหมด จะจะเอาตัวไหนที่มันจะมารักษาเราเราจะเรียนให้ครบแปดหมสพระนมะขันธ์รก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเราแก่ตายซะ ก, ก่อนแต่จะเลือกเอามาสักอย่างสองอย่างที่เรามาเรียนให้ได้แล้วทําให้เป็นเนี่ยใช้เวลาไม่นานเนี่ยเราจะเอาหมดไหนนะซึ่งอาจารย์กรรมฐานก็สอนเก่เรื่องสติปัฏฐานสี่มายาวนานมากมายแต่เราก็ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่หลวงพ่อเทียนมาบอกเจาะเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้โดยเฉพตัวอื่นไม่ได้อเอา ท่านประกาศเรื่องนี้ตัวเดียวเรื่องเสด็เรื่องเดียวสาสิบเอ็ดปีอ่ะตั้งแต่พศสองพันสามเอ็ดก็มีคนรู้เข้าใจมาประเด็นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หลายเรื่องเอาเรื่องเดียวแล้วก็ไปทำให้มันความรู้ทำให้เป็นความจริงทำของมากให้มันเป็นของน้อยทำของน้อยให้เป็นของจริงแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้นะแต่ว่า เราเชาวพุทธของประเทศไทยที่มาปรัรบไปเมื่อวานเนี่ยพุทธที่ภาวะทางจิตพอหรือไม่เนี่ยมาสงสัยในประเด็นเนี่ยคือหมายความว่าความพร้อมความเข้าใจสติปัญญาเนี่ยพอไหมที่จะมาเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเอามาเคยถามหลวงพ่อเทียนสมัยเมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้ใหม่ๆหมอามาเข้าใจวอ้าวถ้า ง, งั้นหลวงพ่อในประเทศไทยมันจะมีชาวพุทธ มากเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาบอกเก้าสิบ้าปอร์เซ็นตี่หลวงพ่อที่จริมันมีสักเท่าไหร่มันพ่อบอกว่ามีไม่ถึงสองเปอร์เซนตหมายความว่าร้อยคนเนี่ยคนที่รู้พูดจริงๆว่าคนครึ่งอ่ะไม่ถึงสองคนน่ะสมัยนั้นนะสมัยสามสิบสามสิบกว่าปีนะแต่มาถึงบัดนี้มาดูแล้วมันน่าจะอัพขึ้นเนอะน่าจะถึงสิบเปอร์เซ็ยสิบเปอร์เซ็ได้นะอุณที่ภาวะทางจิ ต, ต mental maturity เนี่ยมันน่าจะอัพขึ้นได้แล้ว นัง น, นั้นเราจะทำอะไรที่จะให้ตัวรู้สึกตัวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแต่สมมติมันเพิ่มขึ้นวันนี้เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งนะพอมันลดเหลือเท่าไหรเหลือห้าอย่างนี้ไม่ถือว่าเพิ่มนะแต่ถ้าวันนี้รู้สึกตัวร้อยหนึ่งถ้ามีอะไรมากระทบกระแทกมันลดเหลือยี่้าเอร์เซ็นโอเคยังมีหวังอยู่ตึงขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะล้มไปเลยไม่ล้มเซไปนิดหน่อยพอะรู้สึกตัวกลับมาตั้ง พอเขามาดา่าปึ๊งเนี่ยฉุนปึ๊กเลยนะเซไปหน่อยพอได้สติเอากูโกรธไปแล้วนัเนี่ยกลับมาตั้งต้นใหม่นี่ถือว่าได้ยีนะ่หเปอ์ถึงแม้จะโกรธไปแล้วก็ตามแต่สติรู้ทันอยู่ถึงแม้จะมาคิดอีกหลายหายครั้งแต่รู้สติทุกครั้งที่มันคิดแล้วที่เขาด่าเมื่อกี้เนี่ยมันช้าใจไม่หายใช่ไหมแต่คิดได้ทุกครั้งที่มันมันเผลอคิดไปตรงนี้ก็ยังดี มาว่าเราทําไมอ่ะอะไรดังนี้มันก็จะคิดซ้ําไปซ้ำมาก็ไม่รู้จักกันน่ยเพิ่งรู้จักกันมาว่าแบบนี้ทําไมมันจะคิดซ้าไปซ้ำมาแต่เรื่องนี้ใช่ไหมบางครั้งเราเป็นแต่พอได้สติออูอ้ ค, คิดไปอีกละก็ให้รู้อย่างนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วหลายๆเรื่องแล้เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นแทบทุกวันเนใช่ไหมในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าหรือลูกมาเราให้ต่างไปเรียนทุกวันมันมาพูดไม่ไม่เคารพเราเลยไม่พูดดูถูกเราสี่งเนี่ย มันก็คิดน้อยใจทั้งวันหน่อยใช่ไหมแต่บางครั้งเราก็ลึกรลึกได้บางโอกโคเิดไปอีกละน้อยใจให้ลูกมีไหมโ ย, โ ย, โ ย, โยมจบมีใช่ไหมเออดังนั้นในเหตุการณ์ประจาวันของเราเนี่ยให้เรื่องรู้เท่าทันเหตุการณ์เราเนี่ยให้ชัดไว้เสมอแล้วเวทนาต่างๆที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจะมันจะช่วยทีนี้กลับมาดูเวทนาอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อเราตามรู้ ความสบายไม่สบายความเฉยๆเป็นกลางเนี่ยถ้าตามรู้มันชัดๆมันกลายเป็นศีลสมนติปัญญาทีนี้เมื่อมันเป็นศีลสมาธิปัญญาได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงถ้าเราตามรู้ศีลก็จะพัฒนาเป็นศีลสังวรคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเรารักษาศีลภายนอกปกติของจิตจิตที่ปกติแล้วเนี่ย ตาจะมองอะไรมันก็มองอย่างปกติไม่มีชอบหรือไม่ชอบหูมันจะฟังอะไรก็ฟังอย่างปกติไม่มีชอบหรือไม่ชอบหรือมีแต่ว่ามันรู้ทันจมูกลิ้นกายใจมันปกติมันไม่มีชอบหรือมันน้ำใสๆอ่ะมันยังไม่เป็นน้ำหวานน้าขมใช่ไหมนะคือเรียกว่าน้ำปกติแต่ถ้าหากมีอะไรหวานเรื่อง พอใจมากระทบเป็นขมไม่พอใจเอพอใจมากระทบเป็นหวานไม่พอใจมากระทบเป็นขมมันกลายเป็นน้ําขมน้ําหวานแล้วใช่ไหมน้ําปกติหายไปไหนจิตของเราจิตง่า ย, ายๆใสๆซื่อๆปกตินี่แหละพอความพอใจมากระทบขมขื่นนะความไม่พอใจมากระทบขมคืนความพอใจมากระทบเป็นไงชอบพอใจหวานละถูกปรุงแต่งไหมนี่ แต่พอเรามีสติกำหนดรู้ชัดชกลับมาดูไอ้ตัวจิตพอใชจไม่พอใจหรือเรื่องหวานก็ไม่เอาเรื่องขมไม่เอามันกลกลับมาเป็นจิตปกติอีกแต่เราจำเป็นต้องใช้ในบ้านของเราเนี่ยเราใช้น้ําอะไรมากที่สุดฟันทงพัวเลยไม่ต้องนึกเออใช้น้ําอะไรมากที่สุดน้ําเปล่า <c oughs> คุณจะซักผ้ากับน้ำเปล่าคุณจะอาบน้ำกับน้ำเปล่าคุณจะดื่มกับน้ำเปล่าคุณจะล้างหน้ากับน้ำเปล่าเคยเอาน้ำกาแฟมาล้างหน้าบั้งไหมเคยเอาน้ำแกงมา <c oughs> ไม่มีไอปรุงแต่งมันใช้เฉพาะเรื่องเฉพาะการแต่น้ำเปล่ามันใช้ได้ทุกเรื่องจิตปกติเนี่ยมันใช้ได้ทุกเรื่องดีใจใช้ได้เป็นบางคราวชอบดื่มกาแฟเหมือนว่าดีใจเสียใจ ยาขมกินได้เป็นบางคราวเช่นเวลาเป็นหวัดขึ้นมาไปดื่มไอ้ฟ้าหลายชนคุณก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันใช่ไหมไอ้ขมแบบเจตนาแบบนี้ดีเป็นยาแต่ขมแบบไม่เจตนามันมาดูถูกเราเนี่ขมแบบไม่เจตนาใช่ไหมดื่มได้ไหมดื่มได้แต่มันเป็นยาพิษอะถึงเราตายเร็วกันจิตมันตายจิตมันตายจากความสุขอ่านะถ้ายาขมบางครั้งเราทําอะไรผิดเขาเตือนถ้าเราตั้งใจเจตนารับ คำเตือนเพเป็นคำสอนได้ใช่ไหมแต่เขาเตือนแต่ว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรับเป็นไงคำเตือนกลายเป็นอะไรเป็นยาพิษไหมฮะยายากาเป็นยาพิษได้เลยขึ้นอยู่กับตัวรับก็จะรับแบบไหนนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในชีวิตประจาวันของเราแต่เราก็ยังแปลใช้มันไม่เป็นเพราะเรายังไม่มีศีลที่ปกติ สีนที่ปกติเหมือนน้าใสสะออยู่ในบ้านเรายิ่งสะอาดยิ่งดีทุกวันนี้คนไม่ยอมกินน้ําบ่อ น, น้ําลึกนะน้ําธรรมชาติแต่ไปกินน้ําขวดหมดแล้วมั่นใจได้ไงว่าน้ําขวดมันจะเขาจะกรองมาให้เราสั่งสะอาดเขาจะเอาน้ําที่ไหนไม่รู้มาบรรจูุขวดขายเราเราไม่เคยตามไปดูต้นตอของมันใช่ไหมเราก็ซื้อกินซื้อกินเดี๋ยวนี้อามาไม่เอาเลยเอามาสูบรน้ำบ่ลึกขึ้นมาแล้วมากรองเอ็นบอกสังง ค, ครัวอย่าไปซื้อน้ําขวดในตลาดไม่เอาเพราะเราเขากลองมาอย่างไรเขากันยังไง เราไม่รู้เราไม่เคยไปตามแล้วดูระบบของเขาแต่ถ้าเรากันเองกรองเองขุดเองสูบเองเนี่ยเราเห็นขบวนการใช่ไหมมันจะสาดบ้างไม่สะอาดบ้างไม่เป็นไรเพราะในร่างกายของเรามันจะถ้ามีสองส่วนเท่าๆกันคือความสะอาดไม่สะอาดถ้าร่างกายคุณสะอาดอย่างเดียวเปไงอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่มีภูมิต้านทานอะไรเลยคุณก็ตายลูกเดียวไอ้คนที่เป็นภูมิแพ้เยอะๆอย่างเตมานนี่ยนะเพราะสะอาดเกินไปเนี่ยภูไม่สะอาดมันไม่พอมันต้องปรับให้เท่ากัน ในใจของเราเนี่ยสุขกระทุกต้องปรับให้เท่ากันมันแคกลายเป็นมัชชีมาปฏิปทาท่านตึงไม่ใช้คําว่าดีใจเสียใจใช้คําว่าทนผู้เที่ยวถามพระว่าเป็นไงไม่ถามวันนี้สบายดีไหมถ้าไม่ได้ถามอย่างนี้นะคัมรียังอาบูโซพอทนไหวไหมท่านพระก็จะตอบว่าไม่ตอบว่าสบายดีขอรับนะพระก็ตอบว่าคัมรียังพันเตพอทนได้ขอรับเนี่ยเขาถามกันเนี่ย มันเป็นสัจธรรมที่ถูกต้องเป๊ะตรงสภาวะด้วยใช่ไหมวันนี้สบายดีไหมสบายดีทั้งๆ ท, ที่ไม่สบายเราก็บอกว่าสบายดีจริงไหมเออนี่ยนี่อันนี้เราเราพูดไม่ตรงสภาวะมันเป็นเรื่องตลกในะภาษาและธรรมเนียมของเราเนี่ยมันไม่มสอดคล้องกับสัจธรรมมันถึงมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ไงมันโกหกกันอ่โดยเป็นวัฒนธรรมไปเลยเออ เพราะนั้นขอให้เข้าใจว่ารากวัฏฐานวัฏธรรมของเราเป็นลากฐานที่มันไม่ตรงมาตลอดมันนึงบิดเบีย้ยวแบบนี้จิตใจของเราบิดเบีย้ยวไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลือเวลาเดิมสิบห้านาทีนะข่อมารับอาหารเอาแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวมากเรื่องยุ่งเนาะก็ขอนุนบทนาสาธุที่เราทั้งหลายจะต้องนําไปฝึกฝนในวันนี้เรื่องแปลเวทนาทางกายให้เป็นศีลในส่วนที่เป็นสุขเวทนา แปลเวทนาทางที่เป็นทุกขเวทนาให้เป็นสมาธิตั้งใจรู้ตั้งใจรู้ตั้งใจเห็นมันแล้วก็แปลเวทนาที่ยังไม่นอนว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยให้มันเป็นปัญญาคือดูให้มันชัดๆดูมันทั่วๆเรามันจะเป็นปัญญาเองก็ขอให้เอาไปนําทําให้ได้ด้วยการทุกคนทุกท่านทื่น